ในเมื่อเป็นย่ำสุดท้ายแห่งราตรีเมื่อตัมบูฟังมีสติสัมปชัญญะลุกขึ้นแล้วก็มาฟังธรรมากันก่อนที่เราจะไปทำความเข้าใจในหัวข้อแม่บทเรื่องราวในทางคำสอนในทางที่เป็นสายกลาง ในทางที่จะไปให้ถึงความหลุดพ้นเราก็มาทำจิตให้สงบกันสักกุรุนก่อนตัมฟังเริ่มต้นด้วยการที่ให้มามีสติป็นในกายวันนี้เรามาเจริญกายกตาสติกันตัมบุฟังเริ่มจากการทำความรู้สึกตั้งแต่ปลายผม ลงมาจนถึงพื้นเท้าเราตื่นมาวันนี้เรายังมีกายของเราอยู่ทำความรู้สึกตัวขึ้นมาว่าอ้เรายังไม่ตายเรายังมีชีวิตอยู่ชีวิตของเรานี้มันรวมตัวกันจากหลายๆายเซลล์ขึ้นเป็นอวัยว ะ, วะมีสมองหัวใจ ปอดกระเพาะกระดูกกล้ามเนื้อต่างๆรวมตัวกันขึ้นมารวมตัวกันขึ้นมามีส่วนที่ไม่ใช่เซลล์ของมนุษย์ด้วยเ ช, ช่นจุลินทรีย์ต่างๆรวมกันมาแล้วก็เลยเรียกเป็นชื่อว่านายนี้นางนี้ เกิดจากพ่อแม่นี่ก็เลยเรียกว่านามสกุลนี้ด้วยมีมารดาบิดาเป็นแดนเกิดเจริญโตขึ้นมาได้ก็โดยอาหารน้ำข้าวที่กินเข้าไปโตมาเป็นตัวเราผ่านมาในคนหลายฝนแล้วหลายหนาวแล้วหลายร้อนด้วยแต่ละ ฤดูที่ผ่านไปก็เป็นหลายเดือนหลายปักหลายสัปดาห์หลายวันหลายคืนผ่านมาผ่านมาจนถึงวันนี้คืนนี้วันนี้อุยเรายัางมีชีวิตยาวมาถึงบัรนี้ได้นี่เป็นบุญแล้วนะท่านฟังนี่เป็นบุญ ความที่ว่าเรายังมีชีวิตอยู่ได้เนี่ยมันเป็นบุญเรามากใกล้โครนในกายกรนี้ตั้งแต่หนังศีรษะมาเลยทำความรู้สึกภายในหนังศีรษะว่าหนังศีรษะนีโอมันมีอยู่นะหุ้มไว้หุ้มกะโลกศีรษะไว้ถ้าใต้ลงมาจากหนังศีรษะทั้งหัวนั่นแหละก็เป็นกโลกศีรษะ ซึ่งกะโหลกนี่มันเป็นหลายๆชิ้นมาเสียบซับกันอยู่เป็นในลักษณะที่ไม่ใช่เหมือนกับเวลาเขาหล่ออะไรขึ้นมาจากบูนซีเมนเนี่ยเขาหล่อให้เป็นชิ้นเดียวใช่ไหมแต่กะโหลกศีรษะของเราเนี่ยเป็นเหมือนกับหล่อๆมาหลายๆชิ้นแล้วก็มาต่อๆกันต่อกันในลักษณะที่ขยับไม่ได้เสียบล็อกกันเข้าไปเลยกะโหลกศีรษะ เป็นกระดูกางในกะโหลกศีรษะบางทีเขาก็เรียกใช้ว่าเป็นเยื่อในกระดูกซึ่งมันก็คือสมองนั่นแหละท่านฟังสมองคือเยื่อในกระดูกอันหนึง่งที่ว่ามันใหญ่มากมันมีจํานวนมากก็เลยเรียกชื่อเฉพาะว่าเป็นสมองสมองเราก็มีมางคนก็สมองมากสมองน้อย ทุกคนมีเหมือนกันหมดแต่ว่าไม่มีสมองนี่ไม่ใช่จะน้อยจะมากมันไม่ได้อยู่ที่เนื้อสมองมันอยู่ที่พลังจิตต่างหากพัฒนากันได้และมาจากในสมองก็มาทำความรู้สึกถึงกระดูกที่เป็นส่วนหน้านี่เบาตากระดูกส่วนที่เป็นโหนกแก้มส่วนที่เป็นหน้าผาก ส่วนที่ยื่นออกมาหน่อยก็เป็นกระดูกอ่อนที่เรียกว่าจมูกทาความรู้สึกต่อไปถึงกระดูกกรามด้วยกระดูกกรามที่มีฟันล่างเกาะ อ, อยู่กระดูกฟันบนที่ก็เกาะ อ, อยู่กับฐานของกระดูกฟันกระดูกกรามเนี่ยมันขยับขึ้นลงได้ที่เหมือนกับเป็นลักษณะที่ให้เราเคี่ยวอาาร มีกร้ามเนื้อยืดอยู่พระจะกระโหลกศีรษะด้านหน้าก็มาทำความรู้สึกไปในกระโหลกศีรษะด้านหลังส่วนที่เวลาเรานอนไปไม่ว่าจะนอนด้านข้างจะนอนด้านหลังมันก็มีกระโหลกศีรษะเนี่ยรับน้าหนักเอาไว้ผ่านมาถึงกระดูกคอกระดูกคอนี่ก็คือกระดูกสันหลังส่วนที่ยืนออกมาจากไหล่ของเรา ผู้รีจะรับน้ำหนักศีรษะของเราซึ่งมันก็หนักหลายกิโลรับส่งต่อผ่านกันมาเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นกระดูกคอทําความรู้สึกมาในศีรษะทั้งศีรษะดูว่ามันเป็นแบบนี้เรายังมีหัวเรายังมีคอผ่านมาถึงตัวบ่าตัวของเราไล่ลงมา กมีกระดูกสันหลังนี่แหละเป็นแกนกลางแล้วก็ยื่นเป็นซี่เป็นซี่ออกไปเขาก็เรียกเป็นกระดูกซี่โครงส่วนทางด้านบนก็มีกระดูกด้านหน้าที่ล็อกไอเจ้ากระดูกซี่โครงนี้กันเอาไว้ให้เป็นเหมือนโครงขึ้นมายังมีกระดูกที่ยื่นไปข้างๆึ่งนอันนี้ก็เป็นกระดูกหัวไหล ที่จะไปต่อกันกับกระดูกสะบักด้านหลังที่ก็อยู่กับกระดูกซี่โครงด้านหลังแล้วก็ยื่นออกไปเป็นแขนเป็นแขนท่อนบนเราก็เป็นแขนท่อนล่างท้งซ้ายและขวาท่อนล่างมันก็จะเป็นคู่กันเพื่อให้มันบิดมันหมุนได้ยื่นต่อไปอีกก็เป็นกระดูกข้อมือที่มีลักษณะส่วนที่เป็นโปรง ให้พวกสายเส้นเอ็นต่อไปเพื่อที่จะขยับนิ้วขยับมือได้ผ่านต่อไปก็เป็นกระดูกมือที่เป็นชิ้นเล็กเล็กเล็กๆมาต่อต่อกันเพื่อให้เราสามารถจะขยับมือขยับนิ้วหยิบจับสิ่งของเป็นนิ้วโปง้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยแต่ละอันนี่ก็หงอเข้าได้ทั้งซ้ายและขวา หกระดูกซี่โครงเหล่านี้ลงมาอีกก็เป็นกระดูกเอวกระดูกเอวจะเป็นส่วนที่รับน้ำหนักต่อลงมาสามารถที่จะเอี่ยวซ้ายขวาได้เพราะมันไม่มีซี่โครงมาค้ายันเอาไว้มันก็ค่อนข้างจะชิ้นใหญ่กว่าด้านบนนิดนึงเพราะว่ามันจะต้องรับน้ำหนักต่อกันมาใคร้กรุ่มพิจารณาต่อมาอีก จะถึงกระดูกเชิงกรานที่รับน้าหนักส่วนบนทั้งหมดนั้นผ่านลงมาที่กระดูกเชิงกรานแยกออกเป็นสองส่วนให้น้ําหนักมันถ่ายลงต่อไปที่ขาทั้งสองข้างการส่งถ่ายน้ําหนักเพื่อให้ขามันเคลื่อนไหวได้กระดูกขาต่อลงไปมันก็เป็นเบ้าล็อกป๊อกเข้ามาที่กระดูกเชิงกรานทั้งสองข้างซ้ายขวา กระดูกขาที่ยืนลงไปที่เป็นส่วนท่อนขาด้านบนเนี่ยชิ้นใหญ่แล้วก็แข็งแรงมากรับน้ำหนักส่วนบนทั้งหมดทั้งยังมีกล้ามเนื้อยึดเอาไว้ด้วยสำหรับที่จะเคลื่อนที่วิ่งกระโดดต่างๆทรงผ่านต่อไปถึงกระดูกเขา่าถึงกระดูกขาช่วงล่างที่เป็นสองท่อนขนาดกันไป เป็นไปถึงกระดูกเท้ากระดูกเท้านั้นก็เป็นชิ้นเล็กๆมาต่อๆกันเป็นในลักษณะที่เป็นโค้งๆหน่อยเพื่อที่จะรับต้ำหนักจากส่วนบนของร่างกายของเราเป็นอาร์เขาเรียกเป็นโค้งๆต่อไปจนถึงกระดูกปลายนิ้วเท้าทั้งสองข้างซ้ายขวาร่างกายของเรามีกระดูกตั้งขึ้นเป็นโครง ไม่ได้เป็นกระดูกชิ้นเดียวแต่เป็นหลายๆชิ้นมาต่อกันโดยมีเส้นเอ็นนั้นรึงรัดยึดเอาไว้ล้วก็ชาบทาด้วยเนื้อและเลือดมีอวัยวะภายในเช่นหัวใจตบปอดปริจะส่งธาตุน้ำสารอาหารต่างๆไปตามกล้ามเนื้อด้วยเลือดที่ส่งไป มีหนังหุ้ม อ, อไว้อีกชั้นหนึ่งหุ้มอบไว้ก็เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำของเหลวอะไรพวกนี้มันไหลออกป้องกันความชื้นป้องกันอันตรายจากสิ่งภายนอกแล้วก็มีแซมแเมมาไว้ดูขนบ้างจุดไหนที่จะต้องเป็นเซนซอรี่เป็นตัวอวัยตนะรับสิ่งต่างๆเข้ามามักมีตาโปรมา มีหูโผลอกมามีจมูกมีลิ้นเป็นต้นโผลออกมาให้เรารับรู้สิ่งต่างๆได้วันนี้พิจารณากายของเรามาเป็นแบบนี้กายของเราเป็นแบบนี้เจริญกายยขตัสติก่อนเป็นเบืเอ้องต้นเอ้าวหลังจากที่เราทําสมาธิ ทำทให้มีความสงบกันได้สักระยะหนึ่งก็มาฟังคำอธิบายท่านผฟังคำอธิบายในหัวข้อแม่บทอานนี้ก็สืบเนื่องจากในเอพิโ o ดที่ผ่านๆมาของช่วงใต้ร่มโพธิบทที่กับพเะ้าได้ยกองประกอบเปนประเสริฐแต่ละอย่างแต่ละอย่างแปดอย่าง มาอธิบายเป็นหัวข้อหัวข้อในแต่ละตอนละตอนทั้งหมด8ตอนกันมาแล้วแต่ว่าองค์ประกอบอันประเสริฐ8ดอย่างเนี่ยไม่ได้ว่าแยกกันจึงต้องมีอีกตอนหนึ่งมีอีกแอนิเมชัหนึ่งที่จะมาพูดถึงความที่ถ้าเมื่อมันรวมกันเข้าแล้วเนี่ยมันจะดีมีผลได้อย่างไร ในตอนนี้ก็จึงต้องพูดถึงเรื่องของทางสายกลางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐแปดอย่างเป็นทางอันประเสริฐประเสริฐก็คือเป็นอริยทางก็คือมรรค็คืออริยมรรคแปดอย่างก็คืออัถังที่เป็นปฏิปทาเขาก็จึงเรียกว่าอริยอัถัง ก, กิกมร ใองค์ประกอบแปดอย่างนี้ทบ ต, ตัวนิดหนึ่งตงฟังได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมาขัมมตัสสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสมาสมาธิพระธรรมาทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐแปอย่างที่ว่าเป็นทางสายกลางทางสายกลางแล้วที่ถ้ามันไม่กลางมันจะไปติดตรงไหน ก็จะไปติดส่วนที่เป็นส่วนสุดไม่สุดด้านหนึ่งก็สุดด้านหนึ่งที่ออกนอกกรอบขอบของด่างนั้นเองที่จะออกนอกกรอบขวาสุดเลยอันนั้นก็ชุ่มด้วยกาม ร, รับเอาหมดทุกอย่างมีแต่ความยึดถือมีแต่ความยินดีเป็นลักษณะที่เออบอิ่มเพียบพร้อมอยู่ด้วยกามกุณทั้งหลาย สุดโตรงอีกด้านหนึ่งซ้ายสุดไปเลยนั่นก็ปฏิเสธหมดทุกอย่างไม่เอาอะไรเลยอันนี้ก็ไม่เอานั่นก็ไม่เอาปฏิเสธความมีความเป็นปฏิเสธความเป็นเหตุเป็นผลปฏิเสธหมดก็สุดโตรงอีกข้างหนึ่งแล้วถ้าไม่ปฏิเสธหมดหรือก็ไม่ใช่ว่าเอาหมดแล้วเอาเท่าไหร่หรือปฏิเสธส่วนใดมันถึงจะพอ พอ ด, ดีพอ ด, ดีเขาจึงเรียกว่ามัชชิมาปฏิปทานี่ยปฏิเสธส่วนที่เป็นกามเอาส่วนที่เป็นความเพียรเอาส่วนที่เป็นสัมมาทิฏฐิเอาส่วนที่มีองค์ประกอบแปอย่างนี้เท่านั้นนี่นะมันจึงเป็นองค์ประกอบที่ว่าให้อยู่ในทานขึ้นมาที่ในหลายๆข้อปฏิบัติในโลกมีมากมายเลยมันเหมือนมันมีรูนแรเลยนี่นะที่รอดไปได้ ช่องนี้แหละที่พระพุทธเจ้าคนพบขึ้นไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพระพุทธเจ้าหรือเหล่าอารหันสาวกทั้งหลายก็าอาศัยรูนี้ทางนี้นี่แหละรอดออกไปได้ไม่ว่าจะมีอะไรปิดขั้นนะทาฝังปัญหาในชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่ง ตกอยู่ในสถานการณ์ที่มันไม่รู้จะมีทางออกทางไหนตันมืดแปดด้านมีรูเล็กๆตรงนี้รูหนึ่งมีทางไปแน่นอนเพราะว่าที่ว่าเรารู้สึกว่าเราตันรู้สึกว่าเราไปไม่ได้รู้สึกว่ามันมึนงงวนกลับมาที่เดิมรู้สึกว่าทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้ทำไมมันเป็นชั้นแต่ ม, มันมีปัญหามากมาย ให้ฟันธงแล้วก็รับรองลงไปเลยว่าแสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณไม่ได้มามีตามทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐแปดอย่างนี้แต่เดินไปตามทางที่มีองค์ประกอบในการที่จะไปให้มันสุดให้มันตันให้มันบนให้มันหมึนให้มันมืดมาตามทางสว่างที่มีองค์ประกอบแอย่างนี้มันอาจจะนึกไม่ถึงไงลืมไปประเมินแล้ว ก็นึกให้ได้ปลดลิกให้ได้แสงสว่างอันนิดเดียวรูเล็กๆแต่มันยิ่งใหญ่นะเธอรอดออกมาได้ช่องทางที่จะเข้าม า, าตามทางมรรคแนี้ได้นี่เป็นช่องที่แบบใหญ่เลยละ่ะคือเหมือนจะเราเปรียบเทียบนะว่ารูมันเล็กนิดเดียวใช่ไหมคุณจะเข้าไปยังไงอ่ะช่องที่มันจะเหมือนกับเฟอร์โนเป็นก้วย ให้คุณรอดเข้าไปได้ใหญ่เบิ่มเทิมเลยนั่นก็คือศรัทธาหนึ่งศรัทธาคุณต้องมีมากพระบริเจ้าท่านตรัสไว้ที่ใต้ต้นไทรนั่นเป็นที่พักร้านของเด็กเลี้ยงแพะบอกกับสหมดีปรมไว้บอกว่าประตูสูนน่นิพพานท่านเป็นนาบตาเนี่ยรอเปิดไว้แล้วเหมือนว่าเรามีผนัง ปิดรอบด้านหมดเลยนะเราช่องไหนรูไหนประตูไหนที่จะออกไปจากบริเวณนี้ได้ไม่ถูกกัน้นไม่ถูกบนไม่ถูกปิดขั้นด้วยตาหูจ ม, มูกลิ้นกายใจไม่บนเบียนอยู่ในสังสารวัฏสามสิบเอ็ภพภูมิตรงไหนที่จะเป็นทางออกทางไปได้ประตูท่านเปิดไว้ทางท่านบอกไว้ คืออริยามรรคงค์แปนี้ใช่ไหมเป็นมนชิมาปฏิปทาเป็นทางสายกลางสัตเหล่าใดที่คิดว่าจะมาตามทางนี้เนี่ยสัตเหล่านั้นจงปรงศรัทธาลงไปเถิดท่านหมายงี้รงศรัทธาลงไปก็ว่าปรงศรัทธานี่คือหมายว่าคุณตัดใจเลยตัดใจเลยนี่หมายความว่าทุ่มไปเลยทุ่มไปเลยนี่หมายความว่าคุณมีมากคุณใส่ไปเลยคุ้มค่าแน่นอน บอกว่าทางเข้านี่มันใหญ่มากเลยคือต้องอาศัยศรัทธาที่มากทุ่มลงไปคุณจะวเหมือนเทเลพอร์ตตัวเองรอดออกจากความวังบนความปิดกั้นเนี้ยออกไปได้ยังรอดได้ท่านฟั ง, ฟงยังรอดได้หนทางยังมีอยู่หนทางยังมีอยู่ทางนี้ประกอบด้วยองค์ประกอบอันประเสริฐแปอย่าง เป็นช่องทางให้รอดเป็นช่องทางที่จะไม่ติดตันไม่วนไม่หมึนมีองประกอบแปดอย่างนี้ก็รือเป็นทางสายกลางในชื่อของคำว่าทางสายกลางทางสายกลางเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ยังเรียกไปในอีกหลายๆชื่อด้วยกันมีคำพ้องความหมายของมันก็มีบางทีท่านก็ใช้คำว่าสามัญญะสามัญญะนี่ก็คือแบบว่า ทั่วไปเลยใครก็ได้ที่ปฏิบัติแล้วก็จะได้ผลออกมาเหมือนกันหมดเป็นทั่วไปเป็นสาธรารณะเป็นสามัญอีกคำหนึ่งก็คือพรห ม, มัญญาหมายถึงที่เกี่ยวกับพรหมละสามัญญาพรห ม, มัญญะหมายถึงทางที่จะให้ไปอยู่ร่วมกับพรหมก็ได้บังทึ้นก็เรียกพรหมจาริยะ การประวิทยประมานก็ได้บางทีก็ใช้คำว่าสัมมัตตสัมมัตต์นี่ก็จะมีสัมมัตต์แปคืออริยมรรคมีองค์แปแล้วก็มีสัมมัตต์สิบคือมีสัมมาญาณสัมมา ว, วิมุติเพิ่มเข้ามาด้วยบางทีก็ใช้คำว่ากุศลธรรมะบางทีก็ใช้คำว่าสัมมาปฏิปาาทาเหมือนทีก็ใช้คำว่าสัมมาปฏิปติ เหมที่เใช้คำว่าสมถต า, าและมิปัสนาเหมือนทีก็ใช้คําว่ามัชชิมาปฏิปทาในคําเหล่านี้ที่เราสังเกตว่าพระพุทธเจ้าเลือกออกมาเป็นสินนนิมคือคําที่แตกแจกรายละเอียดออกมาเป็นมักแแบเนี่ยคำนี้บางทีก็ไปใช้กับเรื่องอื่นตามั ง, งอย่างคําว่ากุศลธรรมนี่ต้องก็มาใช้เรียกกับกุศลกรรม บ, บท10 ที่มีทางกายวาจาใจกายนี่ก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามวาจานี่คือไม่กล่าวเท็จไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดโกหกสอดเสียดใจนี่ก็จะมีความไม่ไปยาบาทไม่เพ่งเล็งเอาของผู้อื่นแล้วก็มีสัมมาทิฏฐิสิบอย่างนี้ท่านกุเรกุศลก็มาบทบ้าง มันก็เรียกอริยมรรคก็มีทีนี้มัน10อย่างไงแต่อริยมรรคมีองค์8มัน8อย่างไงซึ่งเราเห็นว่าส่วนวาจา ก, ก็เป็นสัมมาวาจาใช่ไหมส่วนกายก็เป็นสัมมารกรรมตะส่วนทางใจที่นอกเหนือจากสัมมาทิฏฐินี่ก็จะเป็นสัมมาสังกปะอัลละเตียงข่ายร่องอยู่กับอาชีววายามะสติสมาธิซึ่งก็สร้างอยู่ในวาจา ก, การาัและ อยูมันก็เหมือนกันนั่นละเป็นคำคล้ายคลึงกันจะเรียกอริยมรรคที่มีองค์ส0บหรืออริยมรรคที่มีองค์8ปดก็ได้เหมือนกันเรียกสัมมาปฏิบัติก็ได้เพราะว่าถึงเรื่องของสามัญสัมมาเนี่ทำไมข้าพระเจ้านึกถึงเรื่องของสามัญผลท่านผู้ฟังที่ว่ามันให้ผลได้แน่นอนไม่ว่าใครทำเนี่เป็นสามัญลักษณะของมันเลย ที่ว่าใครทําตามอรมาริมักมีองแปะเนี่ยต้องได้ผลออกมาแน่นอนถ่านเปรียบเทีบยบไว้เหมือนกับว่าถ้าคุณเอานมมาแล้วคุณก็ใส่สารหมักลงไปแล้วคุณก็กวนไปตีไปใส่ลงไปในอ่างแล้วก็เคี่ยวคนกวนไปเรื่อยเรเนี่ยมันจะออกมาเป็นโยเกิร์ตเพราะคุณกวนคนไปเรื่อยเอีกมันก็จะเริ่มแข็งขึ้นออกมาเป็นเนย ยังไงใครทำก็ตามผู้ชายคนนี้ทำผู้หญิงคนนั้นทำก็ต้องใท้ผลออกมาแบบนี้เหมือนกันหรือถ้าเราเอาเมล็ดงามาบดให้มันแตกจากกระปาะของมันแล้วเป็นเยื่อขึ้นมาแล้วแล้วเอามาบดดูพรมน้ำบดไปพรมน้าบดไปยังไงคุณก็ต้องได้น้ามันออกมาต่อให้คุณหวังว่าจะได้ หวังว่าจะไม่ได้คำว่าหวังว่าจะได้นี่คือฉันต้องได้ฉันต้องได้หรือว่าหวังว่าจะไม่ได้นี่คือฉันต้องไม่ได้ฉันต้องไม่ได้ต้องไม่สำเร็จหรือถ้าทั้งสองอย่างบนทีก็โอ้อยากได้อยากได้แต่บางทีโอ้ไม่เอาไม่เอาหรือว่าจะไม่ใช่ทั้งหวังว่าได้ไม่ใช่ทั้งหวังว่าไม่ได้ก็เฉยเของฉันไปแต่ถ้ายังไงถ้าคุณทา ตามกระบวนการโดยแยบกายของอะลีมักมิงแปนเนี่ยอย่างลึกซึ้งแยบขายนีย่คุณต้องได้ผลต้องได้น้ามันที่ปั่นขั้นบทจากงาต้องได้เนยที่กวนตีแล้วจากนมที่ใส่สารหมักลงไปคุณต้องได้เพราะมันเป็น s ิสเต็มในยางสมัยปัจจุบันเนีฟัง ในตามบริษัทห้างร้านโรงงานร้านอาหารหรืออะไรก็ตามเนี่ขาก็มีความคิดหนึ่งว่าต้องทำอะไรให้มันเป็นซิสเต็มต้องมีกระบวนการต้องมีขั้นตอนมีสแตนดาร์ดโอ perating procedure ใครก็ตามที่มาทำมาปฏิบัติรับก็จะได้ผลเหมือนกันนี่นะเขาดีไซน์เขาทำอะไรออกมาแบบนี้ก็เพื่อที่จะลดการพึ่งพาในคน ที่ต้องเฉพาะเจาะจงคนนี้มันไม่จำเป็นไงแต่ถ้าใครก็ตามที่มาทำตามระบบนี้คุณ้อได้ผลออกมาเหมือนกันไงซึ่งไอร้ระบบที่เขาพูดถึงเนี่ยมันพาไป่างไหนเราะมันพาไปให้ได้เงินไงขายของได้ไงประดีกับบริษัทจุรนุเรืองขึ้นมาซึ่งถ้ามาเปรียบเทียบกับระบบคือปฏิปทาที่มีองค์ประกอบแปอย่าง ไรมาตั้งแต่สมาธิที่จนถึงสมาสมาที่เนี่ยผมประกอบแปดอย่างเนี่ยจะพาไปสู่ความประเสริฐนะชนิดที่เมื่อไปถึงแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าที่จะต้องทําไปกว่านี้อีกสิสเต็มบางสิสเต็มด้องฟังอย่างคนที่เป็นนักค้าหุ้นอย่างงี้ยเขาก็มีสิสเต็มในการที่เขาจะเทรดหุ้นคนทีเ่เป็นนักการตลาดกูก็มีสิสเต็มในการที่จะทําการตลาด คุณจะเป็นนักขายคุณจะเป็นนักเขียนคุณจะมีสู่ความสําเร็จตรงเริ่มตรงนี้ต่อไปตรงนี้แล้วก็เกิดออกมาปุ๊บพวกเนี้ยก็ขายได้ทําเงินไงมันยังต้องต่อไปอีกไงวันี้พอขายได้ทําเงินแล้วไงคุณต้องทําต่อไปอีกเพื่อให้ที่อะไรก็ได้ต่อไปอีกมันไม่มีจบไงทุงฟังถึงหนึ่งว่าสิสเต็มอื่นๆระบบปฏิบัทาการปฏิบัติแบบอื่นที่ไม่ใช่มีองค์ประกอบแปดอย่างเนี้ย มันจะวนมันจะมึนทำแล้วคิดว่าสำเร็จแต่วนไงก็ต้องทำต่อไปอีกไม่จบเหมือนกินข้าวเนี่ยต้องฟังเรคิดว่าเรากินวันนี้อิ่มแล้วแหมสบายละดีละทำไมตอนเย็นต้องกินอีกอะ อ, อ้าวก็ธรรมดาไหมก็นั่นแหละมันวนแล้วพรุ่งนี้ต้องกินไหมก็ต้องกินอีกอะก็กินอยู่เรื่อยไม่อิ่มสัที นี่แหละมันหลอกเราในลักษณะที่ว่าเหมือนว่าอิ่มแล้วเหมือนว่าสําเร็จแล้วแต่มันก็ยังต้องต่อไปอีกไงความที่มันมันเหมือนกับจบเป็นภาพลวงตาแต่จริงมันยังไม่จบนี่แหละเขาเรียกว่าเป็นสุดโตงสุดโตงเนี่ยเป็นลักษณะที่ว่าไม่ใช่ตันแต่เป็นส่วนสุดที่เป็นบนใบวนมาเพราะฉะนั้นเราดูลักษณะได้ดูฟังลักษณะของคำสอน หรือว่าศาสนาใดที่จะมีความหลุดพ้นได้ไม่ใช่ว่าไปอยู่กับพระเจ้าแล้วก็อยู่ที่นั่นตลอดอนันตการพูดก็พูดน่นก็คือตัณนหนะจะต้องมีลักษณะขององค์ประกอบแปดอย่างนี้ต้องอยู่ในนั้นเราตรวจสอบดูได้ซึ่งหลายๆคำสอนในศาสนาต่างๆต่งางก็มีองค์ประกอบเป็นประเสริฐ ยังได้อย่างหนึ่งในแปดอย่างนี้ชินมาในาศาสนาคริสต์อย่างเี้ยก็มีสอนให้รักเพื่อนบ้านเออความรักเพื่อนบ้านก็เป็นเมตานะเป็นใจิตใจที่เป็นสมาสังกปะนะก็มีส่วนอยู่ในนี้แล้วก็ถ้าเป็นคำสอนของาศาสนาอิสลามเขาก็สอนให้มุสลิมเนี่ยไม่ดื่มเหล้าไม่งมงายไปในรูปปั้นรูปเคารพภาพเขียนต่าง เออความที่ไม่ดื่มสุรามีอะไรนี่เออมันก็เป็นส่วนของสมมารกรรมตะนะแล้วความที่ว่าไม่ได้งมงายไปในรูปเขาโรคต่างๆนี่ก็มีส่วนของสมาทิฏฐิอยู่นะอันนี้ก็ปเป็นชายกให้ดูว่าคำสอนอื่นๆที่จะมีส่วนประกอบของมรแปมันก็มีคือต้องการจะเปรียบเ ท, เทียบกับว่าคำสอนบางอย่างอย่า ง, างลัทธิในสมัยพุทธกาลที่เป็น รัิที่ปฏิเสธทุกสิ่งทุกอย่างเลยเป็นคำสอนที่ปฏิเสธทุกอย่างเลยอันนี้คือแบบโหนี่ก็มาเกินไปเลยคือไม่มีส่วนที่จะมีมรรคแอยู่ในนั้นเลยเอาบางคำสอนก็มีส่วนอยู่สอดแทรกตัวนั้นตรงนี้มาขึ้นมาขึ้นมาขึ้ น, านตามลำดับลาดับลำดับของปัญญาของผู้บอกผู้สอนประกาศศาสนานั้นๆส่วนที่เหมือนกล้ากันก็จะมี แต่ที่จะครบถ้วนครบบริบูรณ์เป็นแอบ o l ลูดเป็นไม่มีใครเหมือนไม่เหมือนใครมีเต็มที่แล้วเนี่ยคนที่จะทำอย่างนี้ได้เนี่ยมีสัมมาสัมพุทโธเท่านั้นที่จะมีปัญญาในระดับที่จะประกาศบอกให้มันรัดกุมรอบค้อบไม่ละหลวม ไม่มีอะไรที่มันหลุดหนีหายไปไม่ครบไม่ท้วนธรรมะที่ประกาศเนี่ยเป็นสบการาตาธรรมเป็นธรรมะที่ประกาศไว้ดีแล้วนะสาคัญนะคือทุกคนที่ไม่ใช่สัมมาสัมพุทโหนี่ก็อาจจะแสดงธรรมได้อยู่แต่ธรรมะที่ประกาศที่แสดงที่บอกที่สอนที่ถ้าคุณไม่ใช่เป็นสัมมาสัมพุทโจะมาแสดงสิ่งที่เป็น สวากขาตธรรมโมนี่ยมันไม่ได้สงถัรรมนั้นก็จะมีส่วนดีอยู่แต่จะมีส่วนที่เป็นขี้ริ้วเป็นไม่ใช่แก่นเป็นกระพี้เป็นอะไรแปดเื้อมาปนม า, นมาแก่นหรือเนื้อล่ำๆก็มีไม่เต็มด้วยก็จะมีสิ่งผสมมาผสมมาคุณเอามาใช้มาทำมันก็จะไม่ได้ผลเต็มที่ไม่ใช่ได้การหลุดผลก็ดีอยู่ ในระดับที่มันมีความดีอยู่นั้นนั้นความดีมีแต่มันดีแน่ท่านฟังจะน้อยจะมากน้อยเท่าไหร่ก็ยังดีมีมากก็มันยิ่งดีสิแต่เพราะด้วยความที่มันไม่เต็มไม่ครบไม่ทั่วมันก็ไปไม่ได้คือไปไม่ตามทางตลอดลอดฟังหลุดปล่อยออกไปสักจุดใดจุดหนึ่งจุดที่จะหลุดปล่อยไปได้เนี่ยเราก็หวังว่าไปอยู่กับพรหมไปอยู่กับพระเจ้าอยู่แล้วก็อยู่ที่แท่นตลอดอ น, นันตการ แต่ความเสี่อมันมีไงมันก็จะมีจุดนี้แหละที่ว่าจะค้างเติงติดอยู่ทีนี้คําสอนที่ประจักษ์ครบถ้วนปาส่วนที่เป็นขี้ริ้วออกเหลือแต่เนื้อล่ลําๆก่นลน้วนๆไม่มีส่วนที่เป็นกระพีใช้งานได้เต็มๆจะสามารถไปถึงที่สุดของทางได้จะมีความหลุดพ้นได้ในนิพพานได้ เรา ง, งั้นนิพพานก็ตันนะสิก็ทำความเข้าใจให้มันถูกหน่อยสิว่าการตันแบบยึดมั่นในทิฏฐิมีความยึดมั่นมีความยึดถืออยู่เนี่ยกับลักษณะที่วางความยึดถือเนี่ยมันไม่เหมือนกันไงคุณปฏิบัติตามมรรคแปดแล้วทำให้คุณคลายความยึดถือทั้งหมดเลยเนี่ยนะนี่คือลักษณะของความดับ ความเย็นกณิพานแม้แต่มรักแปดเนี่ยก็ดับไปพระพุทธเจ้าบอกไว้กับท่านปรานน์ตอนที่ท่านพระสารีบุตรปรินิพานแล้วใหม่ๆพากันถือบริขารของท่านมาหล่ะ ว, ว่าโอ้นี้ท่านพระสารีบุตรปรินิพานแล้วโอ้เสียใจจังอ้าวเสียใจทำไมล่ะอนุนก็แล้วสารีบุตรเนี่ยเอาศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณนัสสนะ ไปนิพพานด้วยหรอไม่มีไงไม่ได้ออกไปนี่แหละจึงเป็นจุ ด, ดิี่ว่มักแปเนี่ยเป็นลักษณะที่พิเศษว่าถึงแม้คนที่ไปถึงแล้วเนี่ยนะเขาก็ยังปฏิบัติมักแปดอยู่เอาอย่างนี้มันวนหรือเปล่าเนี่ยทำไมบรรลุแล้วก็ยังต้องทําอยู่เหมือนต้องวนต่อไปนี่จึงเป็นความพิเศษของทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ แปดอย่างว่าแม้แต่พระอรหันต่บรรลุทมแล้วพระพุทธชาบรรลุรมแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะเลิกปฏิบัติตามมรรคแปดเนี่ยมรรคแปนี้จึงมีสองส่วนสองลักษณะลักษณะสำหรับบุคคลที่ยังไม่ถึงยังไม่บรรลุธรรมกุศมปฏิบัติตามมรรคแปดไปเรื่อยๆไม่ใช่ทางวนแต่เป็นทางรอดไม่ใช่ทางตันแต่เป็นทางไป คุณปทำมาเรื่อยๆไม่ใช่บนนะแต่มีความก้าวหน้าไปมีความก้าวหน้าไปดูจากสิ่งสมาีิปัญญาปายๆจนกระทั่งหลุดหมดดูจากบ้าคุณมีความยึดถือลดลงคุณมีความสุขในภายในมากขึ้นทุกน้อยลงทุกขั้นตอนของการปฏิบัติแล้วถึงที่สุดจบในกิดนิพานแล้วเนี่ยคุณยังต้องทำตามมรรคแปดแบบนี้ ไปอีกแต่ไม่ใช่ว่าที่จะต้องไปถึงที่ใดที่หนึ่งแล้วไงเลิ่มเรไว้ เ, เหมือนกับพุ่งแปร่ที่ว่าคนอยู่ฝั่งนี้ประกอบแพรแล้วแพ้นี่คือมักแปดที่จะข้ามไปถึงฝั่งโน้นโอ้ฝั่งนี้มันอันตรายมากมีทั้งสัตว์ร้ายมีทั้งคนคิดจะฆ่าพวกโจรเพระชะค่าต่างๆโอ้ไปดีกว่าเอางั้นเอาไม้หญ้ากิ่งไม้ มาผูกเป็นแพรพยายามไปกับดื้อมือและเท้าแพรนี้คืออะไรแพรคือมักแปการพยายามไปกับดื้อมือและเท้าคืออะไรคือการทำความเพียนพอไปถึงฝั่งโน้นแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ว่าจะลากเอาแพรถือไปด้วยแบกขึ้นบาปายไม่เขาก็บางทีก็ปล่อยให้แพรเนรอยไปตามน้ำหรือไม่ก็ดึงขึ้นบกฝั่งไว้แล้วก็ตัวเองก็ไปตามปรารถนา ตรงนี้แหจึงพูดถึงว่าม8ันแ่ดเป็น2ระบบระบบสําหรับคนที่ยังไม่หลุดพ้นคุณต้องข้ามฝั่งไม้ได้พอคุณหลุดพ้นไปแล้วไม่ใช่ว่าคุณจะเลิกปฏิบัติตามมักแปแล้วไปปฏิบัติอะไรฉั ก, ก็ปิดศีลฉั ก, ก็นั่งเจตเตะฉันก็เพลิเพลิลนไปได้ก็ไม่ใช่มันก็จึงมีระบบที่สองของมักแปดที่เราไม่เรียกว่ามักละเพราะมันไม่ต้องไปไหนแล้วมันถึงที่สุดชมแล้วเขาก็ปฏิบัติตามมักแปดนี้ ยังทำไปอยู่แต่ทำไปในลักษณะที่ไม่ต้องทำไปเพื่อถึงอะไรแล้วเพราะว่ากิจที่จะต้องทำด้วยความไม่ประมาทเนี่ยมันหมดแล้วทำไปไม่ใช่ว่าต้องการที่จะได้อะไรแต่จบแล้วเพราะฉะนั้นหนทางคือมักที่ประกอบด้วยองค์ประกอบมันประเสริฐแปดอย่างคืออริยะอัตถังกีกามัจเนี่ยสามารถที่จะดับ สิ่งที่มันจะทำให้เราวนไปงงไปปลายแบงแต่สวรรค์จนถึงนรกวนไปวนมาในสังสารวัตได้เนี่ยจะสามารถทำให้ดับสิ่งเหล่านั้นได้นั่นคือเรื่องของกรรมนั่นเองมารแปททำให้กรรมดับไปได้มัรแปลทำให้ความชั่วความไม่ดีอะไรก็ตามดับไปได้ละความยึดถือละธนาได้ โดยองค์ประกอบประเสริฐแปอย่างนี้สิ่งที่ใช้วนเวียนไปอยู่ในสังสารวัฏก็คือการก็ดับสิ่งนั้นได้ด้วยทุกฟั ง, งลองคิดดูสิว่าพ่อบิดอะไรนอที่เราทํามากๆแล้วเราจะไม่ได้ยึดถือในสิ่งนั้นด้วยซ้ําน่ะนี่แหละมันมีอยู่คือบางทีเราเคยชินคุ้นชินอะไรมากๆก็ทําแบบนั้นไปนเรื่อยๆทำแบบนั้นไปนเรื่อยๆใช่ป่ะทำคุ้นชินไปมากๆนั่นก็เป็นอาสวาาัแล้วล่ะ คุณทาอะไรที่เป็นแพทเทิร์นในชีวิตอาสวะก็สร้างสมขึ้นสร้างสมขึ้ น, นแต่ว่านี่คือความเลิหรู อ, รอลังการพิเศษวิจิตพิสดารขององค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างนี่แหละที่ว่าพอคุณดาไปทำไปอ่ะช่วงความยึดถือในสิ่งนั้นมันน้อยลงในมรแปดในความยึดถือเนี่ยมันลดลงถ้าทำถูกนะแล้วก็ความที่จะมามีอาสวะจากการที่คุณปฏิบัติตามมรแปมันก็ลดลงด้วย นี่จึงเป็นช่องที่ท่านค้นพบขึ้นมาได้ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็ต้องเดินตามทางนี้จะเป็นพระปัจเจตของพะพุทธเจ้าทางนี้ยิ่งเล็กลงไปอีกเหมือนรูที่มันปิดแล้วเลยพอท่านมาถึงมันถึงก็เปิดแล้วก็วูบป่านไปพอผ่านไปแล้วก็ปิดอีกคือื่นตามไปไม่ได้แต่สัมมาสัมพุทธเจ้าเปิดไว้แล้วเนี่ยตัวเองมาถึงปุ๊บรูนี้ มันยังเปิดขึ้นตัวเองผ่านเข้าไปแล้วรูนี้มันยังคงอยู่ยังไม่ปิดหนีไปแต่มันก็จะค่อยเล็กลงเล็กลงเล็กลงเวลาผ่านไปมันก็เล็กลงเรื่อยๆคนที่ตามไปรีบตามไปก่อนเลยพอพระพุทธเจ้าปเปิดทางไว้คนหนึ่ก็ตามกันไปเลยเป็นปรวนเลยเหมือนนายโคบานเขาดูเล็งล้วว่าท่านี้เป็นท่าลงคนลิงโคไนะ ก็มีโคเป็นพันๆตัวจำฟังสมัยก่อนเขาจะเอาโคข้ามแม่น้ำโคงคาเพื่อทีจะไปเลี้ยงไปกินหญ้าไปขายอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำก็ต้องดูท่าลงมาดีดูท่าลงดูเนินใต้น้ำวัวมันจะไปได้ไหมสังเกตดูกระแสน้ำวันไหนเหมาะสมดูท่าขึ้นไปทางนี้วัวจะฝูงไปก่อนเลย บัวแข็งแรงไปก่อนเลยวัวอื่นๆที่ไม่แข็งแรงวัวที่เพิ่งเกิดใหม่วัวแม่วัวพ่อก็ค่อยๆตามกันไปตามกันไปมันไปได้อยู่ทุกฝั่ ง, งเห็นเหมือนตันเนี่ยชีวิตเรามันไม่ตันหรอกมันมีทางที่จะให้ไปอยู่ทางนี้ขอให้มั่นใจเถอะขอให้มั่นคงเถอะมั่นคงมั่นใจนั่นคือปรงองศรัทธาลงไป ปรงศัทธาลงไปแล้วตามทางที่มีองค์ประกอบอันเรสเสอร์ตามซิสเต็มนี้มันจบมาชนิดที่ไม่มีอะไรยิ่งไปกว่านี้พูดจริงๆลำฟังพูดจริงๆคือถ้าเราตามทางอื่นๆขายของเหรอความเป็นผู้นำเหรอสร้างบริษัททำเงินความเป็นนักการเมืองเหรอปกครองมันมันไม่จบไงมันก็จงต้องวนต่อไป นี้ทางนั้นท่นฟังไม่ใช่ไหมครว่าโอ้คุณก็ต้องมาบวชเลยไม่สนใจแดงสิ่งไม่ใช่แต่หมายความว่าคุณก็ทํางานคุณมาแล้วล่ะคุณจะเป็นนักการเมืองก็เป็นไปคุณจะเป็นพ่อค้าก็เป็นไปจะเป็นนักธุรกิจก็เป็นไปเป็นข้าราชการไต่เต้าไปตามแล้วล่ะแล้ก็เป็นไปได้จะเป็นแม่หม้ายก็เป็นได้เป็นไปแต่ว่าอย่าลืมทางนี้อย่าไปตามทางอื่นจนลืม ทางที่จะใช้จิตใจของเราเนี่ยดําเนินไปได้อันนี้สําคัญให้ชีวิตของเราเนี่ยมันมีองค์ประกอบอันประเสริฐแปดอย่างนี้ทำอะไรก็ตามที่ชีวิตของเรามันไม่ได้มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างนี้ที่งคุณเริ่มด่าว่ากันที่คุณเริ่มคิดอิจฉาริษยากันนั่นคือคุณออกนอกทางแล้วที่คุณกําลังทําอยู่เนี่ยมันจะตันจะบอกให้มันจะไปถึงที่ที่จะมีปัญหาจะบอกให้ แล้คุณก็ทำงานไปเป็นแม่บ้านก็เป็นไปเป็นพ่อค้าก็เป็นไปเป็นเกษตรกรก็เป็นไปเป็นนักธุรกิจเป็นนักการเมืองก็เป็นไปแล้วมีองค์ประกอบอันประเสริฐ8ดอย่างนี้อยู่ในความที่เรามีเราเป็นนั้นน่ะการมีการเป็นของคุณนั้นน่ะมันประเสริฐขึ้นมาทันทีเลยจะเป็นการมีการเป็นที่ว่าจะทําให้เรารอดพ้นจากปัญหาต่างๆได้อย่ในสมรภูมิที่ถูกใส่ร้าย คนที่ถูกทิ่มแทงคนที่มีปัญหาแล้วตัวเองปฏิบัติตามมรรคแปดนี่นะไม่ได้คิดเกลียดเข า, าเป็นมิจฉาสังกปะไม่ได้คิด จ, จะสั่งให้คนไปทำร้ายเขาเป็นมิจฉากรรมันตะไม่ได้คิดจะเช่งชักหาง ก, กระดูกเป็นมิจฉาทิฏฐิแต่ว่ามีเมตตามีสัมมาสังกปะมีความปรารถนาดีอันนี้จะเป็นการเอาชนะ ชนิดที่ไม่ได้ด้วยใช้ศาสตราอาทาแต่ใช้ธรรมะล้วนๆคนที่ประสบความสมําเร็จนะมามีก่อนคือพระพุทธเจ้าโดนมาหมดนะทุกฟั ง, ฟงโดนมาหมดใส่ร้ายเหรอธรรมดาถูกเขาแกล้งถูกเขาทําร้ายถูกเขาปูย้ยี่ปู้ยำโดยมาหมดแล้วขณะว่าไม่โดนเขายกย่องเขาไม่ใส่ร้ายเขานับถือ ยังสละชีวิตยังทำอะไรต่างๆเพื่อที่จะดูซิว่ามรรคผลมันจะเวิร์กมาทางไหนได้เนี่ยอประกอบนี่มันจะอย่างนี้ได้ไหมทดลองมาหมดอันที่ไม่ได้ก็ตายไปฟรีๆจนกระทั่งมาถึงหนึ่งชาติสุดท้ายเนี่ยมันได้ขึ้นมาครบถ้วนในองค์ประกอบแปดอย่างนี้จึงบอกมาว่าไอ้ที่ตามมาทั้งหมดนะั่นน่ะจุดที่มันไม่เวิร์กมันตันเนี่ยก็คือ ผ่านมาผ่านมาจนเวลายาวนานมากจึงค่อยได้เห็นทางเป็นเส้นตรงปื้ดมาเลยว่าโอ้มันต้องมีองค์ประกอบ8อย่างอันประเสริฐนี่อ้าคุณพบแล้เจอละคุณพบแล้วเจอแล้ ว, อล ว, อลวโอ้โหแล้วเราก็ไม่ต้องไปแบบทําการทดลองเดินทางผิดผิดถูกๆอะไรให้มันยาวนานไงของพระพุทธเจ้าเราเนี่ยสี่สงไขยแสนมหากับนะก่อนหน้านั้นยังต้องอีกสิบหก เราไม่ต้องออกไปนั้นไม่ต้องเอาถึงเจอสงไขยด้วยไม่ต้องาถึงอสองไขยเดียวไม่ต้องาถึงเจ็ดสิปีด้วยไม่ต้องาถึงสิปีเดียวด้วยไม่ต้องเ อ, อกถึง7็ปีด้ um วยไม่ต้องเอกถึงปีหนึ่งไม่ต้องเอาถึงเจ็เดือนเอาแค่7วันเปล่าเจดวันหรือเจวันยังมากไปเอาวันเดียวพอถ้าวันหนึ่งคือ1นคุณปฏิบัติตามมาร์กแนี่นะคุณผลได้นะ วันหนึ่งคือหนึ่งกุณเนี่ยมันมีค่ามากเลยนะที่ถ้าเมื่อเราปฏิบัติตามมรรคแปแล้วจิตจะหลุดพ้นได้โอ้โหวันที่คุณทำตามมรรคแปมันเป็นวันที่มีค่ามากๆเลยตัวมันสั้นนิดเดียวสั้นนิดเดียวนั้นมีค่าด้วยคุณค่าที่เราใส่ลงไปในสิ่งนั้นบางคนจะมีความคิดอย่างนี้ว่าอะไรมันดีดีป่านี้มันจะมันจะมีจริงหรอสมัยนี้เนี่ย มันจะมีทางราดหรือเปล่ามันหลอกกันเยอะนะเนี่ยใช่ท่านผู้ฟังมันหลอกกันเยอะสมัยนี้นะอยู่ยากขึ้นทุกวันทุกวันเราจึงต้องรู้จักแยกแยะเหมือนต่างต้องรู้จักแยกแยะดีชอบต้องรู้จักแยกแยะผลทางต้องรู้จักแยกแยะในทุกสิ่งทุกอย่างอุปการะของการแยกแยะก็จึงต้องมีสัมมาสติไงก็งมีสัมมาทิฏฐิไง เพราะมันเป็นตัวที่จะตรวจสอบตัวเองได้ด้วยลองทำดูไม่ได้เสียหายด้วยเพราะว่าถ้าทำแล้วมันไม่ดีใช่ปะคนจะมาด่าด้วยความที่คุณรักษาศีลจะมาด่าด้วยความที่คุณพูดจาดีเกินไปพวกคุณปฏิบัติตามมักแปะเป็นต้นในองค์ประกอบบางอย่างนี่คำด่าของเขาเนี่ยมันจะไม่ประกอบเลยทำไงตำฟังเพราะในโลกนี้ก็มีคน ส, นสรรสญ คุนักศึกษาสีลคุณพูดจาดีทั้งนั้นละ่ะในเมื่อเราจะไม่ได้ถูกต่อว่าต่อเทียงด้วยระบบแห่งความเป็นธรรมได้ถึงแม้เราจะปฏิบัติตามมรรคแดก็ตามนี่มันไม่มีอะไรเสียหายที่เราจะทำตามหัวข้อที่จะพูดในประเด็นสุดท้ายในวันนี้ก็คือต้องการจะเปรียบเทียบกับทางสายกลางแบบอื่นๆที่พระพุทธเจ้าได้พูดยกเอาไว้เช่นเรื่องของปฏิจจสมุป บ, บาท ว่าปฏิจจสมุปาลนี่ก็เป็นมันชฌิมาปฏิปทาเหมือนกันและอริยมรตมีองค์แปก็เป็นมันชฌิมาปฏิปทาเหมือนกันทำไมสองอย่างมันจึงมาเหมือนกันได้แต่ดังที่ว่าปฏิจจสมุปาลนี่มันเป็นคู่เป็นคู่ดังหลายคู่มังแปนี่ก็เป็นองค์ประกอบอันประเสริฐก็มีแปดอย่างแล้วมันทางสายกลางตรงไหนอย่างที่เ่าไปตั้งแต่ตอนต้นต้องหังว่าที่ไม่กลางก่อนนะคือวนไปตันตึกซ้ายขวา เพราะอะไรที่เหลือที่หลุดออกจากตรงนั้นได้เนี่ยเป็นทางสายกลางหมดเพราะในระดับของชั้นของมันเนี่ยมันจะมีความลึกตื้นในบริบทที่จะอธิบายแตกต่างกันไปเหมือนถนนที่เขาทําเป็นหลายๆชั้นซ้อนกันไปเชั้นข้างใต้ดินเลยก็เป็นรถไฟชั้นตรงกลางเนี่ก็เป็นถนนทั่วไปชั้นสูงขึ้นไปนี่ก็เป็นถนนใช้ความเร็วสูงข้างๆถัดไปนี่ก็เป็นขนทางคนเดิน ยังมีระบบน้าระบบไฟส่งตามกันบปโอ้มีหลายชั้นนะเนี่ยมีหลายอย่างแทรกซึมอยู่ในนี้อยู่ที่ว่าคุณพูดถึงในระบบหรือบริบทเรื่องของอะไรเอาเราก็เหมือนกันในทีน่นี้ตุมฟังที่ว่าถ้าคุณจะอธิบายในความลึกซึ้งที่ว่ามีหลา ย, ลายอย่างก็ยกเรื่องปฏิจจสมุปบบาทในหัวข้อนี้มาใช้เป็นทางสายกลางได้ เพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จะเกิดขึ้นถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้มันก็ไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปใช้ลักษณะความเป็นเหตุเป็นผลอย่างนี้อธิบายอะไรบ้างยกตัวอย่างมาดูซิเพราะมีอวิชชาไงจึงมีสังขารทั้งหลายยัอีกนะเพราะความดับไปไม่เหลือแห่งอวิชชาไงจะมีความดับแห่งสังขาร ต่อไปและต่อไปเนี่ยดับทุกได้เกี่ยวเนื่องกันเป็นแบบนี้ใช้หลักความเป็นเหตเป็นผลมันจึงไม่ตันไปในสองข้างตันข้างหนึ่งนะคือเอาหมดทุกอย่างยุ่มอยู่ด้กามไม่ได้สนใจอะไรเลยทุกอย่างมีเป็นของฉันของฉันแสดงว่าคุณไม่ได้เห็นความเป็นเหตเป็นผลไม่ได้เข้าใจความเกิดความดับว่ามันก็ไม่มีอยู่ได้ ตัวนิฆ่างหนึ่งก็ปฏิเสธหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่เอาอะไรเลยเอพวกนี้ก็ไม่ยอมรับความเป็นเหตุเป็นผลในความที่มีเหตุแล้วก็ต้องมีผลแต่พอเราคและความที่ไม่ยอมรับเหตุผลทั้งสองฝั่งแล้วมายอมรับเหตุผลเงื่อนไขปัจจัยเงื่อนไขปัจจัยเหตุผลที่มันจะเกิดขึ้นแล้วคุณ เข้าใจมหมนี่เนื่องจาว่าคุณมาตามทางสายกลางแล้วที่จะไม่ไปหาสิ่งสุดโตรงทั้งสองอย่างเพราะฉะนั้นปฏิจจสมุปบาก็จึงเป็นทางสายกลางด้วยให้เข้าใจความเป็นเหตุเป็นผลทีนี้ถ้าเราจะพูดให้ง่า ย, งายลงไปอีกนิดนึงก็ใช่คำ ว, ว่าอนัตตาก็ได้ต้องฟังอนัตตาอนัตตก็เป็นทางสายกลางเหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าในคําว่าอนัตตานี่ หมายถึงมันไม่ใช่อัตตาตัวตนของมันเองที่มันไม่ใช่อัตตาตัวตนของมันเองเพราะอะไรเพราะมันต้องขึ้นกับสิ่งอื่นที่ว่าสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับเนี่ยก็คือมันขึ้นกับสิ่งอื่นไงพูดย่ II ยอๆ ง, ง่ายๆสั้นๆหัวข้อเราก็ใช่ว่าเป็นอนัตตาเป็นอนัตตาเป็นความที่มันไม่ใช่ตัวตนของมันเองแต่จะมีอยู่คงอยู่ได้ต้องขึ้นอยู่กับสิ่งอื่น สิ่งนที่มันต้องขึ้นอยู่เป็นเงื่อนไขคือคอนดิชันเป็นปัจจัยคือเหตุให้เกิดผลแบบเนี้ยปรุงแต่งกันมาคือสังขารเงื่อนไขปัจจัยสังขารปรุงแต่งแล้วจึงให้เกิดเป็นแบบเนี้ออกมาเนี่ยเกิดเป็นรถเกิดเป็นบ้านเกิดเป็นขนมเกิดเป็นอาหารเกิดเป็นตัวเราขึ้นมาเนี่ย มันไม่ได้เกิดเองลอยๆอยแต่มันต้องมีอาศัยสิ่งอื่นเกิดต่อให้แบบมีใครเสกขึ้นมาก็ต้องอาศัยคนที่เสกขึ้นมานั่นแหละมันจึงเกิดความเกิดขึ้นมีอยู่ของมันเนี่ยไม่ได้ด้วยตัวมันเองแต่ด้วยสิ่งอื่นที่เป็นเงื่อนไขที่เป็นเหตุคือปัจจัยที่เป็นการปรุงแต่งคือสังขารมาเป็นแบบนี้แล้ว ลักษณะสิ่งที่มันมีอยู่คงอยู่ในกรณีที่เงื่อนไขปัจจัยมันยังตั้งอยู่นั่นคืออนัตตาอะไรก็ตามที่ปัจจัยเงื่อนไขมันดับไปสิ่งนั้นมันก็ดับไปมันก็คืออนัตตาอนัตตาก็จึงเป็นทางสายกลางด้วยเหมือนกันไม่พุ่งไปหาสิ่งสุดโตง่งเอาแล้วอนัตตาแล้วปฏิจจสมุปบาทมันไปอยู่ในมัชแปตรงไหนคือเวลาที่เราจะมาทําความเข้าใจ เรื่องปฏิชาสมุบาตแต่ละอย่างละอย่างแต่ละคู่ละคู่เรื่องอนัตตาคือความที่มันอาศัยเหตุผลแล้วเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องมีองค์ประกอบอันประเสริฐเนี่ยแทรกอยู่ต้องรวมกันให้เข้าเป็นอันเดียวกันเพราะฉะนั้นมรรคแปดเนี่ยทุกฝั่ ง, งมันไม่ได้ใช้แยกกันองค์ประกอบอันประเสริฐแต่ละอย่าง8ดอย่างไม่ได้ใช้แยกกันไม่ใช่ว่าเป็นทางแปดสายแต่เป็นทางสายเดียว มีองค์ประกอบ8อย่างพอคุณปฏิบัติตามมรรคแปดท่านแยกแยกแจกแจงให้เป็นส่วนประกอบเหมือนในอาหารนี่ละ่ะมีองค์ประกอบนี่มีส่วนผสมนี่ใส่แป้งนี่ใส่ซอสนี่ใส่รายเลียงต่างๆอย่างนี้ใส่นี้ก่อนใส่นี้หลังติมฟังลองดูสิสมมติคนก็เขียนสูตรอาหารให้แล้วให้10คนไปทำด้วยสูตรอาหารเดียวกันออกมานี่ ออกมามันรสชาติไม่เหมือนกันนะดูก็ไม่เหมือนกันด้วยเพราะว่ามันคนทํามันต่างกันรถมือของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันด้วยตัวงใสยังไงก็ตามเนี่ยใสกรใส่หลังมันมีผลทีนี้อย่างไรก็ตามมันก็จะพอควบคุมได้ในระดับหนึ่งไงต่อให้มันจะออกมาไม่เหมือนกันก็ตามแต่มันก็ในระดับหนึ่งพอจะเป็นไปได้โดยสุดาหนี้ เช่นดียกันและว่าสูตรที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐแดอย่างเนี่้บางคนปฏิบัติออกมาเาก็ออกมาเป็นอย่างท่านพระสารีบุตรโอ้โหปัญญาสูงหรือออกมาบางทีเป็นอย่างท่านพระอาชิโอ้โหเรียบร้อยมีการสำรวมอินทรีย์หรือบางทีปฏิบัติตามมรรคแปดออกมาเป็นอย่างท่านพระอัญญาโกณทัญญะหนุ่งห่มปอ น, ปอน เสอเสน่อยหนึ่งหรือบางทีปฏิบัติออกมาแล้วเป็นเหมือนอย่างกับท่านพระปรินทวัจฉัยงี้อ้าวทำไมไปเที่ยวพูดอย่างนี้กับคนนั้นคนนี้คือมันก็อาจจะมีความแตกต่างกันบ้างมี variation แต่ว่าออกมาแล้วสุดเหมือนกันแต่สุดในที่นี้คือได้ผลเหมือนกันไม่ตันไม่บนแต่เป็นไปได้อ์ประกอบ8อย่างเพืพ่อพมควผสมกันปึ้งเนี่ มันจะได้เป็นอนัตตาึ้นมามันจะให้เรามีปัญญาในความเข้าใจตามในเรื่องนี้บางครั้งมันงคราวไงทุกวางที่เจ้าเรานั่งสมาธิเรามีความเข้าใจยเรื่องอนัตตาแต่พอคุณออกจากสมาธิแล้วก็ไปทํางานนั้นนี่มันยังไงนะมันมันมันลืมไปแล้วคือส่วนประกอบนี้มันคลาดเคลื่อนไปแล้วเอาไหนะลกลับมาจากที่ทํางานเนี่ยเอาตั้งสมาธิดูอีกทีสิ ไใครวรไปใครควรบอกอ๋อเป็นอย่างนี้เข้าใจอยู่นะแต่ที่บายเป็นคําพูดไม่ได้เอาพอออกจากสมาธิมันลืมไปแล้วหลายคนที่มีประสบการณ์แบบนี้คือว่าเข้าสมาธิแล้วมันไม่ปวดมันเย็นไปหมดทั้งตัวมันสบายเห็นความเป็นอนัตตาเออแต่พอบางคาบบางครั้งบางคราวมันไม่ได้ทําได้แบบนี้ตลอดอันนี้จะสมัย ถ, ถึงว่า องค์ประกอบที่เป็นประเสริฐ8อย่างเนี่ยมันยังคลาดเคลื่อนไปยังไม่ครบถ้วนทําให้เราเข้าใจเรื่องความเป็นอนร ต, ตาเห็นปัญญามันยังไม่ดีเต็มที่เพราะมันไม่ใช่ส่วนใดส่วนหนึ่งตัวฝังเดองค์ประกอบประเสริฐ8อย่างนี้ต้องมาประสมกันประสมกันแล้วตรงยอดของมันเลยเนี่ยนั่นคือปัญญาตรงฐานของมันเลยนั่นน่ะนั่นคือศีลตรงกลางที่ต่อขึ้นไปเป็นกําลังขึ้นไปน่ะ นึ่นคือสมาธิองมประกอบมันจะจัดเรียงกันตามแบบนี้ผมสมนั่นแหละผมะสมให้เข้ากันองม์ประกอบมันจะจัดเรียงตามแบบนี้มันจะลงล็อกกันเพราะนั้นมรรคแปดก็จึงแทรกซึมอยู่ในเรื่องของหน้าตาผมประกอบประเสริฐแปดอย่างก็จึงมีความที่อยู่ในปฏิจจสมุปบาทนี้ล่ละ คุณเข้าใจเรื่องมรรคแปดคุณก็เข้าใจเรื่องอริยสัจสีคุณเข้าใจเรื่องอริยสัจสคุณก็เข้าใจเรื่องปฏิจจสมุปบาทคุณเข้าใจเรื่องปฏิจจสมุปบาทคุณ JUN เข้าใจเรื่องบบ ค, อความเป็นอนตาความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆเข้าใจหมดแล้วในทางมันจบได้มันดีได้ปฏิบัติได้ไม่ใช่เป็นเรื่องราวที่พูดให้สวยหรูเป็นคำกลาวกราบเป็นสุนทรพจน์ที่ฟังแล้วดูดี น่าจะทําได้แต่ทําไม่ได้จริงทําแล้วได้อยู่แต่ว่าได้ไม่เต็มที่รายนิดนิดหน่อยหน่อยได้อยู่ร่วมกับพรมจุดนั้นจุดนี้คำสอนในเรื่องมรรคผไม่เป็นอย่างนั้นท่านฟังไม่เป็นอย่างนั้นทําแล้วได้เต็มที่ได้ผลของมันฉันนิดที่บอกว่าไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าสำหรับสามีดูท่านฟังสําหรับสามอีอย่าใช้ท่านฟังนี่ยมาทบทวนเรื่องนี้ละ เรื่องของอริยมรรคมีองค์8เรื่องของอริยสัจสีที่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้แสดงไว้ประกาศไว้นั่นคือคำสอนที่รวมลงในทางสายกลางนี้นั่นเองในวันนี้ช่วงของใต้ร่มพุทธบทได้พูดถึงหัวข้อทางสายกลางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐแปดอย่างอยู่ในนี้ไม่ใช่เป็นทางแปดสายเป็นเป็นทางสายเดียวเป็นทางสายเอก ที่เริ่มต้นเปิดไว้โดยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเดินไปก่อนแล้วเราพระอรหันต์สมัยพุทธกาลเดินตามไปแล้วเราพระอรหันต์สมัยปัจจุบันก็เดินตามไปแล้วคนที่ฟังอยู่ก็เดินตามไปด้วยตามทางไปสู่ที่จะเป็นความเกษมเป็นความพ้นจากเรื่องร้ยรัด เรื่องผูกต่างๆเป็นอิสระให้เกิดการพ้นถูกได้เองในช่วงของตายร่มบริวทนั้นจะมาพบกับตรามบุฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลาตีหถึง6โมงเชา้ทาทั้งสถานีวิทยุ ก, กระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ในช่วงเวลาต่างๆรายการนี้จัดโดยมูนิิ ปัญญาภาวนากระบพระมหาไยบุญอภพิปุโ น, โนท่านสามารถติดตามรับฟังย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ของมูลนิธิปัญญา .org p a n y a .org กัพเากรพระมหาไปบณ์อาพิปุโ น, โนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จุฬาพัน